หลวงปู่เอี่ยมท่านเกิดในรัชกาลที่สองปีฉลูพุทธศักราช2359เป็นบุตรของนายนาคและนางจันโดยมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน4คนได้แก่หลวงปู่เอี่ยมนายฟักนายคำและนางอิ่มบ้านเกิดของท่านนั้นอยู่ที่ตำบลบาลแหลมใหญ่ฝั่งใต้ข้างวัดท้องคุ้งอําเภอปากเกร็ด จ, จังหวัดนนทบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2381อายุท่านได้22ปี จึงได้อุปสมบทที่วัดบ่อตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดวัดบ่อนี้อยู่ติดกับตลาดในท่าน้ําปากเกร็ดท่านอุปสมบทอยู่วัดนั้นได้ประมาณหนึ่งเดือนจากนั้นก็ได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดกัญญารมิตรทนบุรีซึ่งในขณะนั้นพระพิมนธรรมภร์เป็นเจ้าอาวาสซึ่งย้ายมาจากวัดราชบุรณะพระนครหลวงปู่เอี่ยมท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและแปลพระธรรมบทอยู่ที่วัดนี้ใช้เวลาเจ็พรรษา จากนั้นท่านจึงได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดประยู์วงสาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2388อยู่วัดประยูนวงสาวาสได้3พรรษาถึงปีพุทธศักราช2391ในแขกสมุบัญชีได้ได้นมนหลงปู่เอี่ยมไปจำพรรษาเจริญพระกรรมฐานเป็นเริ่มแรกและได้ศึกษาอยู่5พรรษาถึงปีพุทธศักราช2396ญาติโยมพร้อมด้วยชาวบ้านภูมิลําเนาเดิมในคลองแหลมใหญ่ ซึ่งปัจจุบันนี้คือคลองพระอุดมอําเภอปากเกร็ด จ, จังหวัดนนทบุรีได้พากันเดินทางมารัฐนานิมนต์หลวงปู่เอี่ยมเพื่อให้กลับไปปกครองวัดสว่างอารมณ์หรือวัดสะพานสูงในปัจจุบันนี้ส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อวัดสว่างอารมณ์เดิมมาเป็นวัดสะพานสูงนั้นมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าในสมัยนั้นสมเด็จกรมพยาวชิยานวรโรรสท่านได้เสด็จไปตรวจการคณะสงฆ์ได้เสด็จขึ้นที่วัดสว่างอารมณ์นี้ได้ทอดพระเนตรเห็นสะพานสูงข้ามคลองวัด ซึ่งก็คือคลองพระอุดมปัจจุบันนี้ชาวบ้านมักจะเรียกวัดสว่างอารมณ์นี้ว่าวัดสะพานสูงจึงทําให้วัดนี้มีชื่อเรียกกันถึงสองชื่อฉะนั้นสมเด็จกรมพระยาวชิยานวโรรสทรงเห็นว่าสะพานสูงนี้ก็เป็นนิมิต ท, ที่ดีประจำวัดประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งชาวบ้านก็ได้ยอมเรียกกันติดปากว่าวัดสะพานสูงจึงได้ประธานเปลี่ยนชื่อวัดสว่างอารมณ์มาเป็นวัดสะพานสูงจนตราบเท่าทุกวันนี้ เมื่อหลวงปู่เอี่ยมมาวัดสภพานสูงใหม่ที่วัดนี้มีพระประจําพรรษาอยู่เพียงสองรูปเท่านั้นขณะที่หลวงปู่เอี่ยมได้ย้ายมาอยู่ที่วัดสะพานสูงได้8เดือนก่อนบันเข้าพรรษาหลวงพี่บูนสมบัติบ้านท่านอยู่ปากคลองบางลําพูพระนครได้เดินทางมานมัสการหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมได้ปรารถถึงความลําบากด้วยเรื่องการทําอุโบสถและสังฆกรรมเนื่องจากสถานที่เดิมได้ชํารุดทรุดโทรมมากจึงอยากจะสร้างให้เป็นถาวรสถานแก้วัดให้เจริญรุ่งเรือง หลวงพี่บุญสมบัติท่านจึงได้บอกบุญเรียรายหาเงินมาเพื่อก่อสร้างโบสถ์และถาวรสถานขึ้นจึงเป็นที่เข้าใจกันว่าหลวงปู่เอี่ยมได้เริ่มสร้างพระปิดตาและตะกรุดเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นของชํารวยแก่ผู้บริจาคทรัพย์และสิ่งของที่ฉันได้การก่อสร้างพระโบสถ์และถาวรสถานต่อมาถึงพุทธศักราช 2,431 ได้สร้างศาลาการเรียนหลังจากนั้นหลวงปู่เอี่ยมได้สร้างพระเจดีย์ฐานสามชั้นขึ้น ในปีพุทธศักราช2439ขณะที่หลวงปู่เอี่ยมท่านได้มาอยู่ที่วัดสภานสูงท่านได้ออกไปทุดงในทางแถบประเทศเขมรโดยมีลูกวัดติดตามไปเรืยเสมอแต่ท่านจะให้ลูกวัดออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนประมาณ 6-7 ชั่วโมงโดยที่จะนัดไปพบกันณนที่แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นเรื่องแปลกหลวงปู่เอี่ยมท่านได้ไปพบชีปบขาวชาวเขมรท่านหนึ่งชื่อประจันร์หลวงปู่เอี่ยมจึงได้เรียนวิชาอิทธิเวชจากอาจารย์ผู้นี้อยู่หลายปี ซึ่งใช้เวลานานมากจึงกระทั่งชาวบ้านแหลมใหญ่นึกกันว่าท่านออกทุดงไปแล้วถึงแก่มรณะภาพเนื่องจากหลวงปู่เอี่ยมท่านไม่ได้กลับมาที่วัดเลยหลายปีจึงได้ทําสังฆทานแผ่ส่วนกุศลไปให้ท่านสิ่งที่ชาวบ้านทําให้นั้นหลวงปู่เอี่ยมท่านรู้ดีโดยตลอดด้วยญาณของท่านหลวงปู่เอี่ยมจึงได้ตัดสินใจเดินทางกลับมายังวัดสะพานสูงและก็เป็นเหตุด้วยว่าหลวงปู่เอี่ยมได้ออกทุดงไปนานและอยู่ในป่าจึงปรากฏว่าหลวงปู่เอี่ยมท่านไม่ได้ปรงผม ผมท่านจึงยาวถึงบ้านเอลจีวอนก็ขาดรุ่งริ่งหนวดก็ยาวเฟิรม์มเพราะมีสัตว์ป่าติดตามท่านมาด้วยสัตว์ที่ว่านั้นก็คือหมีเสือและงูจงอางและอีกมากมายที่ลูกศิษย์ลูกหาได้บันทึกเอาไว้จากการเจริญพระกรรมฐานนี้จึงทําให้หลวงปู่เอี่ยมสําเร็จโสรดและถ้าจะพูดถึงเรื่องราวและปฏิหารของท่านก็มีอยู่หลายเรื่องมากอย่างเช่นดังมีเรื่องเล่ากันว่ามีต้นตะเคียนต้นหนึ่งมีน้ํามันตกอยู่ ระดูมากเป็นที่เกรงกลัวกับชาวบ้านแถบนั้นหลวงปู่จึงช่วยยืนเพ่งอยู่3ามวันเท่านั้นต้นตะเคียนต้นนั้นก็เฉาและยืนต้นตายหลวงปู่เอี่ยมเป็นพระผู้มีอาคมขลังมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มักน้อยถือสนโดษจึงทําให้ท่านมีลรุษิ์มากมายตั้งแต่ชาวบ้านจนถึงระดับเจ้าใหญ่ในโตในพระนครหมอคุ้มเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่กลิ่นบทเรียนอยู่หลายภาษาได้วิชาไปพอตัวหลังจากที่ศึกไปก็ได้ไปประกอบอาชีพขายยาแผนโบราณ และท่านก็ได้ใช้วิชาที่ติดตัวมาช่วยคนที่ถูกผีเข้าถูกคุณใส่หมอคุ้มไล่ผีจนชํานาญถึงขั้นว่าแค่มีคนเดินมาแต่ไกลก็รู้ว่ามีคนถูกผีเข้ามารักษาและจะถามมารู้ได้ไงหมอคุ้มบอกว่าสังเกตเวลามันเดินเท้าของมันจะไม่ติดพื้นเวลาถอนของหรือไล่ผีเสร็จแล้วก็จะสวดมนต์อยู่หลายบทถึงขนาดว่าชํานาญแล้วก็ยังต้องมีพลาดมีอยู่คราวหนึง่งมีคนพาสาวน้อยเข้ามาหาบอกว่าให้ไล่ผีออกให้หน่อย หมอคุ้มก็รับปากไว้จะช่วยแล้วสาวน้อยคนนั้นก็ทําตัวเชื่องเชื่อเดินมาอยู่ตรงหน้าหมอคุ้มแล้วพอหมอคุ้มเผลอก็หยิบมีดหมอของหมอคุ้มจ้งแทงหมอคุ้มเข้ามาหมอคุ้มฉากตัวหลบทันตกใจเหมือนกันจึงได้ตะโกนออกมาดังๆว่าหลวงปู่เอี่ยมมัดทีสิ้นคํานั้นคนที่ถูกปีเข้าลงไปนอนอยู่กับพื้นทันทีเอาแขนทั้งสองแนบลําตัวลักษณะเหมือนถูกมัดพวกของหมอคุ้มกับญาติจึงเข้ามาแย่งมีดออกและหมอคุ้มก็ทําพิธีต่อจนขับไล่ผีออกไปได้ หญิงสาวพอไดสติก็ทำหน้างงถามญาติว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่นับว่าถ้าไม่ได้บา ร, รมีของหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็หมอคุ้มอาจจะถูกผีแทงเข้าก็ได้แล้วก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่เอี่ยมปราบเจ้าพ่อดวงตาเทราะว่าพูดถึงในสมัยที่หลวงปู่เอี่ยมยังมีชีวิตอยู่นั้นเป็นที่รู้กันดีว่าลูกศิษย์ของข่าใครอ ย, ย่าแตะหากเป็นศิษย์ของท่านแล้วทำตัวดีสบายใจได้แม้ว่าใหญ่แค่ไหนก็ห้ามมาทำร้ายศิษย์ของท่านในเฟียมเป็นศิษย์ที่เคยมาบวชเรียนที่วัด จะเป็นคนตลกขนองชอบเล่นอะไรแผลงๆมีอยู่คราวหนึง่งแกกําลังขึ้นต้นตาลตอนนั้นฝนเกิดตกพรํำๆแกก็กลัวลื่นตกต้นตาลแกจึงได้บ่นเจ้าพ่อดวงตาลว่าขอให้ลงอย่างปลอดภัยและจะถวายหัวหมูให้พอตอนเช้าแกก็เอาหัวหมูไปถวายเจ้าพ่อเมื่อถวายเสร็จก็ทําให้แกเกือบตายเพราะแกเล่นเอาหัวหมูขันไถ่ไปถวายพออีกวันในเฟี้ยมมีอาการแปลกๆตาขวางเรียกเมียชื่อใหญ่เพือนมาหาและบอกว่าอีเพื่อนนี่กูเจ้าพ่อดวงตาล กูจะเอาชีวิตไอ้เฟี้ยมมันมันดูถูกกูเอาหัวหมูไถนามาล้อเล่นกับกูนั่นเผื่อตกใจไม่รู้จะทําไงพอดีนึกถึงหลวงปู่เอี่ยมได้จึงรีบเดินทางไปหาหลวงปู่เมื่อได้เจอหน้าหลวงปู่แล้วจึงได้เล่าเรื่องให้ฟังหลวงปู่ได้ฟังท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสายๆท่านจะเข้าไปและเมื่อหลวงปู่เอี่ยมไปถึงเรือนยังไม่ทันจะขึ้นเรือนเสียงเจ้าพ่อดวงตาก็ทักขึ้นมาว่านี่หรือสมพานเอี่ยมที่คนลือกันว่าเก่งนักเก่งหนาะ และขึ้นไ ป, ไปเผชิญหน้ากันหลวงปู่เอี่ยมจึงได้สอบถามเรื่องราวความเป็นมาจากเจ้าพ่อเมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วหลวงปู่เอี่ยมจึงบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวให้อีเพื่อนไปซื้อหัวหมูจริงๆมาถวายแล้วก็เลิกแล้วต่อกันไปเจ้าพ่อดวงตาลในร่างในเฟี้ยมพูดว่าไม่ได้ยังไงไอ้เฟี้ยมมันดูถูกกูกูจะเอามันตายหลวงปู่เอี่ยมจึงได้บอกว่าท่านเป็นเทวดาควรมีเมตตาธรรมไม่น่าจะโหดร้ายแบบนี้เจ้าพ่อดวงตาเห็นหลวงปู่พูดแบบนั้นก็ยิ่งโกรธใหญ่ ตวาดว่าท่านอยากร้องดีกับผมเหรอผู้จบก็ถมเข้าหาหลวงปู่หลวงปู่เอี่ยมท่านเตรียมพร้อมอยู่แล้วจึงหยิบอีด้วนฟาดฝาอากาศไปเจ้าพอดวงตาในร่างในเฟียมถึงกับหงายลงไปนอนและบิดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดพลางร้องว่าโอ้ยโอยร้อนเหลือเกินหลวงปู่เอี่ยมจึงตีซ้ำอีกเจ้าพ่อดวงตาร้รองไม่ไหวแล้วกูไม่อยู่แล้วและพอเจ้าพ่อดวงตาออกไปแล้วในเฟียมถึงกับนอนแผ่เมื่อไรเจ้าพ่อดวงตาออกไปแล้วหลวงปู่เอี่ยมจึงได้ขอแรงหนุ่มๆที่มามุงดู ขอให้ไปช่วยรือร้อศาลพร้อมกับบอกว่าเทวดาอย่างนี้อย่าให้มันอยู่เลยพอไปถึงที่ศาลหลวงปู่เอี่ยมท่านยืนสงบนิ่งเหมือนรออะไรบางอย่างสักพักเดียวมีลมพายุพัดมาอย่างรุนแรงแต่พอมาถึงบริเวณที่หลวงปู่เอี่ยมยืนอยู่ลมลมนั้นก็หายไปเฉยลมอย่างนั้นพัดมาถึงสามครั้งแล้วก็สงบไปหลวงปู่เอี่ยมจึงได้บอกพวกนั้นให้หรื้อศาลได้พร้อมกับประกาศสิทธิ์ว่าขอห้ามไม่ให้เทวดาองค์นี้เหยียบย่างเข้ามาในจังหวัดนนท นี่นับว่าเป็นเรื่องราวที่เหล่าสิทธิ์ยังจดขานจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเมตตาของท่านอีกเรื่องเรื่องมีอยู่ว่ามีพ่อค้าเรือเร่เชื้อสายจีนคนนึงแกฐานะายาตรจนมากเพราะมีลูกเยอะต้องเลี้ยงดูหลายชีวิตแกมีเรือเก่าๆ เ, เร่ร่อนค้าขายไปเรื่อยพอได้เงินมาก็จะฝากส่งไปที่บ้านแกวันนึงแกลอยเรือมาถึงหน้าวัดสะพานสูงแกจอดเทียบหน้าวัดพอดีทางวัดมีการสร้างโบวถอยู่ ตัวแกก็เลยนําเงินส่วนหนึ่งที่หาได้แบ่งมาทำบุญด้วยตอนนั้นแกยังไม่รู้จักหลวงปู่เอี่ยมและเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นในคืนนั้นคืนนั้นแกนอนพักในเรือแล้วฝันไปว่ามีพระชราองค์หนึ่งมาหาแกแกเห็นแกก็เข้าไปกราบแล้วก็ชงชาให้พระองค์นั้นได้มอบวัตถุ ด, ดํำๆเล็กๆให้แกในฝันแกได้รับก็ดีใจใหญ่ขอบคุณซ้ําแล้วซ้ําอีกพระท่านบอกว่าให้แกเก็บไว้ให้ดีๆไม่นานชีวิตก็จะดีขึ้น แกจดจำหน้าพระองค์นั้นไว้ได้อย่างแม่นยำเมื่อแกตื่นนอนขึ้นจึงมานั่งคิดว่าเชรอยวัดนี้ต้องมีพระอาจารย์ที่เก่งและมีความเมตตามากแน่แกจึงได้อาบน้ำแต่งตัวไปหาซื้ออาหารเพื่อนำไปถวายพระแล้วก็เป็นเวลาเดียว ก, กันกับที่ชาวบ้านทั้งหลายนั่งมาหันมาถวายหลวงปู่เอี่ยมที่ศาลาแกเห็นดังนั้นจึงได้เดินตามขึ้นไปด้วยและเมื่อพบหน้าหลวงปู่เอี่ยมครั้งแรกแกก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นเพราะหลวงปู่เอี่ยมเป็นองค์เดียว ก, ก, กันกับที่แกเห็นในฝันเลยแกคิดในใจมหาสนธ์อะไรอย่างนี้ และเมื่อถวายของแล้วรับพรเสร็จแล้วหลวงปู่เอี่ยมท่านก็กวักมือเรียกเข้าไปหาและก็ถามว่าจะไปขายของที่ไหนต่อหรือแกก็งงมากเพราะเพิ่งเคยพบกันครั้งแรกยังไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยหลวงปู่เอี่ยมท่านจึงได้หยิบพระปิดตายื่นให้หนึ่งองค์พร้อมกับบอกว่าเก็บไว้ให้ดีต่อไปจะรวยนะท่อนนั้นแหละแกน้ําตาไหลเลยแกกราบหลวงปู่ด้วยความเคารมมากและก่อนที่แกจะกลับหลวงปู่ยังบอกอีกว่าให้แกขยันอีกหน่อยชีวิตก็จะดีขึ้น แม้หากเผชิญปัญหาก็ให้ระลึกถึงเราและกันหลังจากนั้นชีวิตของแกก็เริ่มจะดีขึ้นจริงๆการค้าขายดีขึ้นส่งเงินกลับบ้านได้มากขึ้นเมียแกก็เก็บรวบรวมเงินได้ก้อนหนึ่งจึงมาเปิดร้านขายของช่วยแกอีกแรงหนึ่งและก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาค้าขายเขาจึงถูกใจแกให้แกรับหน้าที่เป็นคนกลางคอยสั่งซื้อสินค้าฝรั่งก็ไว้ใจจนตัวแกได้ไปสั่งซื้อของถึงมาเลยูและแกยังได้รับหน้าที่ดูแลห้างฝรั่งอีก แกจึงร่ารวยขึ้นอย่างรวดเร็วมีอยู่คราวหนึง่งเรือสินค้าโดยมรสุมทําให้ต้องหยุดซ่อมเรือเกิดความล่าช้ายอย่างมากเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าเข้าเมืองไทยลูกค้าไม่พอใจอย่างมากเร่งทวงถามสินค้าของเขาซึ่งเขากลัวว่าแกจะโกงหรือถ่วงเวลาเพื่อก่งราคาวันนั้นแกก็ต้องไปขอปลัดผ่อนเวลาและก่อนที่แกจะออกจากบ้านแกก็รืลึกถึงหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็นําพระปิดตาอรัธนาติดตัวไปด้วย ซึ่งน่าแปลกสามารถเจรจาได้ด้วยดีแต่ก็ผัดเวลาได้แค่3วันซึ่งเป็นไปนได้ยากมากเพราะยังไม่ได้ข่าวเรือเข้ามาในแม่น้ําเจ้าพระยาเลยแต่พอครบวันที่3ปฏิหารก็เกิดเพราะเรือเข้ามาจอดเทียบท่าทันเวลาพอดีแกดีใจจนน้าตาไหลยกมือท่วมหัวด้วยความศรัทธาหลวงปู่เอี่ยมและพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมที่ช่วยแกครั้งนี้แล้วก็ยังมีอีกครั้งหนึ่งไฟไหมโรงงานไฟของแกซึ่งคนงานสะเพร้าทําสะเก็ดไฟกระเด็นไปใส่ สินค้าเสียหายเพียงบางส่วนระดับไฟทันแต่แกก็ต้องเจอกับปัญหาการส่งสินค้าที่จะไม่ทันการและลูกค้าคนนี้มิตรคนบอกว่าเป็นคุณคุยยากมากและวันที่แกต้องเข้าพบลูกค้าเพื่อเจรจาแกก็รัฐนาพระปิดตาและก็ระลึกถึงหลวงปู่เอี่ยมขอให้การเจรจาสําเร็จไปได้ด้วยดีน่าแปลกพรแกได้เข้าไปคุยกับลูกค้าคนนี้เป็นการคุยที่ง่ายมากลูกค้ายอมให้ผลัดผ่อนเวลาไปพร้อมกับไม่ปรับค่าสินไหม่แต่อย่างใด ด้วยความศรัทธาต่อบา ร, รมีของหลวงปู่เอี่ยมและทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าชีวิตของแกจะเปลี่ยนเป็นเศรษฐีพร้อมทั้งเมื่อมีปัญหาใดๆก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยบา ร, รมีของหลวงปู่เอี่ยมสาธุสาธุก่อนที่หลวงปู่เอี่ยมจะมรรณภาพด้วยโรคชรานายรุ่นแจ้งมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดคอยเปริยในบัดหลวงปู่เอี่ยมได้ขอร้องหลวงปู่เอี่ยมว่าท่านอาจารย์มีอาการเต็มที่แล้วถ้าท่านมีอะไรก็กรุณาได้สั่งและให้สิทธิ์เป็นครั้งสุดท้าย หลวงปู่เอี่ยมก็ตอบว่าถ้ามีเหตุทุกข์เกิดขึ้นก็ให้ระลึกถึงท่านและเอ่ยชื่อท่านก็แล้วกันหลวงปู่เอี่ยมท่านได้มรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2439รวมอายุได้80ปีโบทได้ 59,000 สาก่อนที่ท่านจะมรณภาพได้มีสิทธิ์ผู้ใกล้ชิดเป็นตัวแทนของชาวบ้านและผู้เคารพนับถือศรัทธาที่มีและไม่มีของมงคลของท่านไว้บูชาได้กราบเรียนถามว่าเมื่อหลวงปู่เอี่ยมมรณภาพแล้วจกทาประการใด ท่านจึงได้มีปัดชิมวาจาว่ามีเหตุสุขทุกเกิดที่นั้นให้ระลึกถึงชื่อเราจรึงเป็นที่รู้กันว่าหากผู้ใดมอบตัวเป็นศิษย์หรือต้องการให้ท่านช่วยแล้วด้วยความศรัทธายิ่งก็ให้เอ๋อระลึกถึงชื่อท่านท่านจะมาโปรโ ด, ดและคุ้มครองและหากว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาก็บนตัวบวชให้ท่านรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงปู่เอี่ยมท่านประดิษฐ์านอยู่หน้าพระอุโบสถสร้างหรือหล่อขึ้นเมื่อพุทธศักราช2480 ในสมัยนั้นหลวงปู่กลิ่นเป็นผู้ปกครองวัดต่อจากท่านเพื่อการสักการะบูชาต่อมาทุกๆวันจะมีผู้ศรัทธามาจากทุกสารทิศมาเพื่อบนบานกราบไหว้ตลอดเวลาตราบแสงอาทิตย์ยังไม่รับขอบฟ้าท่านชอบกระทงใส่ดอกไม้เจสีจึงมีผู้นํามาถวายและแก้บนแทบทุกวันโดยเฉพาะในวันพระแม้แต่ผงขี้ทู่และน้ําในคลองหน้าวัดก็ยังมีความขลังอย่างน่าอัศจรรย์หลวงปู่เอี่ยมผู้มีอาคมฉมังวาจาสิทธ์มักน้อยและสันโดษ ท่านเป็นต้นแบบในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้ท่านได้สร้างถาวรวัตถุที่ได้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้คือพระอุโบสถพระวิหารศาลาการเปลียนพระเจดีย์พระปิดตาและแตะกรุดโทนมหาโสรดมงคลอันลือเล่นนั่นเองครับและนี่ก็คือประวัติหรือตำนานของหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงที่ผมพอจะหามาถ่ายทอดให้ฟังกันได้นะครับหากว่าขาดตกบกพร่องอะไรไปต้องขออภัยครับ พระเกจิผู้น่าเลื่อมใสผู้น่าศรัทธาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอีกหลายรูปในบ้านดอกครับผมจะไปสแสวงหามาถ่าทอดให้ฟังกันเรื่อยๆครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับ